ผู้ธบริษัทนี่ก็หมายถึงผู้ที่เข้าใกล้เข้าใกล้พระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็ฟังทำให้เกิดความเข้าใจต่อไปจะได้ปฏิบัติให้เข้าถึงนี่คือหน้าที่ของผู้ธบริษัะแต่สำเร็จรูปแต่วันนี้นี่ผมเองนี่คือผู้พูดได้ทำคือผู้ฟังก็ต้องอนุโมทนาก่อนก่อนว่ารู้สึกยินดีที่ทุกท่านเนี่ย สนใจฝักฝ่ายในธรรมะอันนี้แหะถือว่าเป็นบุญคนสมัยนี้นี่ไม่ค่อยสนใจธรรมะเห็นว่าเป็นเรื่องคลิกละลาสมัยอันที่จริงเนี่ยธรรมะนี่เป็นเรื่องปัจจุบันเรื่องลาสมัยเมื่อ 2,100 กว่าปีนั้นก็เป็นเรื่องพุทธประวัติไม่จำเป็นต้องไปศึกษามากก็ได้แค่รู้ๆผ่านๆและยินได้ฟังแต่ เ, เรื่องธรรมะนี่เป็นเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องของชีวิต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 บุญเนี่ยวันหนึ่งเราทําได้หลายหายอย่างคนเรานี่มีชีวิตยอยู่ทุกวันนี้เนี่ก็เพราะว่าบุญรักษาหลายคนเนี่ยอยู่ไม่ถึงวันนี้ล้มหายตายจากไปก็เยอะคนที่อยู่ถึงวันนี้ได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญแล้วบุญเนี่ยมีโอกาสที่จะหมดไปได้เหมือนสตังค์ในกระเป๋ามีได้เดี๋ยวมันก็หายไปบุญนี่เราต้องสร้างอยู่เสมอๆเพราะูดถึงเรื่องบุญนี่เราก็นึกถึงอะไร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 คนเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์ได้ก็เพราะต้องมีศี่ห้าเป็นหลักไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าชีวิตเราทุกคนหรือในโลกเราทั้งโลกเนี่ยมีแค่ศี่ห้าน่คุกตารางก็จะน้อยลงไปสีลห้าไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนศี่แปไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตนเองให้เดือดร้อนสังเกตดูศี่แปดนี่ก็เพิ่มอาหารหลังเที่ยง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 มรณะทิฏฐิเนี่ยทำให้เราต้องเป็นทุกข์เพราะว่ามีตัวตนมากการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยถือว่าเป็นการลดละตัวต น, น ย, ยิงจองห้องไม่ยอมใครเนี่ยการอ่อนน้อมถ่อมตนการยกมือไหว้เนี่ยช่วยได้ละกิเลส ต, ตัวนี้ได้กิเลส ต, ตัวนี้เนี่ยละยากมากต้องเป็นระดับอหรหันต์จะละได้ความมรณะทิฏฐิเนี่ยแต่ว่าการอ่อนน้อมถ่อมต น, เ, นเป็นการตัดกําลังกิเลส ต, ตัวตน เมื่อตัวตนน้อยลงความทุกข์มันก็น้อยลงไปตัวตวนมากความทุกข์ก็มากปฏิการอ่อนน้อมถ่อมตนถือว่าเป็นบุญการขนขวายที่จะช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ก็เป็นบุญเนี่ยอาสาสมัครทั้งหลาย น, นี่ก็เป็นบุญแต่ต้องไม่รับสิ่งตอบแทนนะเนี่ยไม่เอาสิ่งตอบแทนเนี่ยถือว่าเป็นบุญเหมือนกันช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่หวังติ่ตอบแทนการแผ่ส่วนบุญ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 บุญเนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแผยยิ่งมากไม่เหมือนขนมนะขนมยิ่งแบ่งนี่มันน้อยลงนะแต่ได้เป็นสองทิ้นก็ได้แล้วขนมเนี่ยแต่จํานวนมันน้อยลงไปเหมือนอย่างกับคบเพลิงเรามีคบเพลิงอยู่เนี่ยเรามีคบเพลิงแล้วก็ไปต่อคนโน้นคนนี้เด็กแต่ละคนก็มีไฟมีคบเพลิงเต็มพร้อมทุกคนบุญเนี่ยเอาบุญมาแผ่เราได้บุญอีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่ ข้าบุญมาแผ่แล้วเนี่ยเราเฉยทำไม่รู้ไม่ชี้เราก็ไม่ได้บุญอีกเราก็ต้องบอกว่าอนุโมทนาโอ้เราพลอยได้ไปอีกครั้งหนึ่งด้วยอนุโมทนาการอนุโมทนาบุญเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่ช่วยลดละความอิจฉาลิษยาถ้าเกิดเป็นการพลอยยินดีเมื่อให้นอื่นเขาทำความดีพลอยยินดีเขาลดละกิเลส ต, ตัวที่อิจฉาลิษยาเห็นใครทําความดีปลอบมือให้เขา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 ตามที่มันเป็นจริงคาว่าทิฏฐิเนี่ยเป็นคำกลางๆนะทิฏฐิก็มีสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกต้องอีกกลุ่มหนึ่งคือพิชฉาทิฏฐิอนเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมสัมมาทิฏฐิคือว่าเราเห็นว่าเห็นเรื่องกรรมเห็นเรื่องการให้ผลของกรรมอย่างถูกต้องเห็นทุกข์เห็นเหตุได้เกิดทุกข์เห็นความพ้นทุกข์เห็นวิธีการปฏิบัติ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 แต่ลืมโทษว่าเราเนี่ยมุงหลังคาไม่ดีแต่ไปโทษฝนเนี่ยมันจึงมีปัญหาเพราะว่ารู้ไม่ทันตามที่มันเป็นจริงถ้าเรามีสติสักหน่อยเราจะป้องกันได้ว่าอ๋อในสิ่งทัต่ายทั้งโปร่งที่มากระทบต่างตาต่า ง, งหูนี่มันไม่เที่ยงเราเรามีสติรักษาใจไว้ไม่ปล่อยให้กิเลสที่มาทางตาต่า ง, งหูนี่รั่วลดจิตใจเราทุกคนถ้าป้องกันที่จิตใจได้แล้วก็เหตุการณ์ข้างนอกเนี่ยไม่มีปัญหา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 ผมเองก็แต่ก่อนก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะสมัยที่การใหม่ๆพศ .2522 เป็นทุกข์มากเนยไอ้ทุกข์ทางร่างกายเนี่ยเราคิดว่าคงจะหนักเพียงพอแล้วแต่ทุกที่แท้จริงนั้นเป็นที่จิตใจไม่ใช่ร่างกายเพิ่งมาเปิดเผยตอนหลังที่ได้ปฏิบัติธรรมมาดูจิต ด, ดูใจตัวเองเนี่ยจึงรู้ว่าทุกที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ที่ร่างกายเป็นที่จิตใจ แต่ตอนแรกไม่เข้าใจเมื่อร่างกายต้องพิการเพอะร่างกายพิการใจก็เลยหมวกมุ่นวุ่นบายในเรื่องร่างกายเราไม่น่าไปอย่างนี้เลยเราไม่น่าไปอย่างนี้นยิ่งคิดมันก็ยิ่งเจ็บ อ, อกเจ็บใจมวุ่นบายอยู่เรื่องร่างกายนะไม่เข้าใจในส่วนนี้คิดว่าเพราะร่างกายมันพิการเราจึงเป็นทุกข์คิดว่าชีวิตมีหนึ่งเดียวคือส่วนร่างกาย แต่พอมาได้ปฏิบัติธรรมนะโชคดีที่ได้รู้จักกรรยนานมิตรหลวงพ่อคาเขียนในนามวิธีการเจริญสติคือการฝึกฝนก จ, จิตใจคือการฝึ ก, กจิตก่อนจะฝึ ก, กจิตเนี่ยรักษาร่างกายมามากทั้งหมอแผนปัจจุบันแผนโบราณทําสรพัดอย่างยศยาาสก็รักษานะเพื่อใช้ร่างกายมันหายใจจะได้ดี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 อยู่นานๆไปมันก็เคยไปเองก็ฝึกการเคลื่อนไหวเนี่ยฝึกสตินอนพิกมือเล่นรู้สึกรู้สึกพลิกมือเล่นก็รู้สึกตัวไม่ได้ทำอะไรออกจากงานแล้วอยู่ที่บ้านฝึกที่บ้านนะฝึกปฏิบัติทาอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปที่วัดใครก็ททำงานทางกายกันไม่เป็นไรเรานี่ตกงานทางกายมาหางานทางจิตรมโดยการฝึกสติ พอฝึกไปนานๆเนี่ยฝึกแค่รู้สึกตัวนะนอนพลิกมือรู้สึกตัวพลิกมือเล่นก็รู้สึกตัวจะทําอะไรก็ให้รู้เนื้อรู้ตัวมันก็ลาคาญเหมือนกันเพราะเรามันเคยไปไหนเมื่อไหนได้แต่ก็ต้องมานอนพลิกมือรู้สึกตัวตามแนวที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงเทียนนี่ยกมือ14จังหวะแต่ผมทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกแต่อาศัยการเคลื่อนไหวกคลียาบทสั้นๆน้อยๆพอฝึกไปนานๆเนี่ย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 คือสติสติเป็นหลักจิตเราเนี่ยเคยเกาะ อ, อยู่กับกายต่อไปมันมไหลอยู่กับจิตไหลไหลอยู่กับสติจิตเคยเกาะ อ, อยู่ที่กายต่อไปมาไหลอยู่ที่สติคือจิตทําหน้าที่แค่รู้สึกเฉยเฉยอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีไสยศาสต ร, ร์เลยเป็นวิทยาศาสต ร, ร์ ธ, ธรรมดาฝึกให้จิตมันรู้เฉยเฉยแทนที่มันจะรู้แล้วก็คิดปรุงแต่งนี่มันรู้เฉยเฉยพอจิตมันรู้เฉยเฉยเนี่ย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 ทีนี้มันก็สบายได้ไม่นานจะรู้ว่ามีบางสีบัญอย่างที่จะควบคุมจิตก็คือเรื่องของความคิดคนเรามีปัญหาที่ความคิดถ้าเราคิดดีก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าคิดไม่ดีเนี่ยเราจะเป็นทุกข์ทันทีเลยเพอฝึกสติได้แล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการที่คิดดีกว่าเดิมแต่ก่อนมองโลกในแง่ร้ายเราเนี่ยไม่น่าไปอย่างนี้เลยมันเวรกรรมอะไรของเราคิดมองโลกในแง่ล้าย คนทั่วไปก็คิดแบบนี้พอคิดมองโลดในแง่ร้า ย, ายมันก็เท่ากับเป็นการซ้ําเติมตัวเองใช่ไหมแต่พอฝึกสติแล้วเนี่ยมีความรู้ตัวแล้วเนี่ยมันจะมีความคิดอีกแบบนึงที่มองโลดในแง่ของความถูกต้องไม่ใช่ในแง่ดีนะมันเหนือดีนะมองโลดในแง่ได้อันนี้ก็ไม่ถูกทําให้เป็นทุกข์มองโลดในแง่ดีอันนี้ก็ยังไม่ใช่บางทีเรามองแบบปลอบใจตัวเองก็ยังไม่ใช่ แต่ก็ยังดียังช่วยอะไรเราเรียกว่าช่วยให้อาหารใจไม่เป็นไรเนี่ยเรารับกรรมไปก่อนต่อไปเราก็จะหายอะไรนะไม่เป็นไรมอโลดในแ ง, งด่ดีแต่ก็ยังไม่ใช่แต่การฝึกสติช่วยให้เกิดปัญญาหมอโลกในแง่ของความเป็นจริงอันนี้ถูกต้องกว่าหมอโลกในแง่ของความเป็นจริงคือเห็นความไม่แน่นอนของโลกนี้เห็นความที่บังคับบัญชาไม่ได้เราจะได้ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่น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 คนจัดโลกนเหนื่อยนะจัดใจเราเนี่ยพอทุกคนจัดให้ได้ยงใจเราเนี่ยโหเหนื่อยมากแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยดูโลกดูโลกและเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกอย่างถูกต้องตามวาระและก็โอกาสอันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยเหนื่อยอย่างผมเนี่สบายเลยคนพิการไม่ค่อยได้ทำอะไรทําอะไรไม่ได้ก็ทำใจไว้ก่อนดูโลกแต่ถ้ามีโอกาสก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกอย่างวันเนี้ย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 ถูกแล้วแต่ถ้าบอกว่าอันนี้ทุกและบอกวิธีการออกจากทุกขให้พราะสอนเลือกทุกแล้วเนี่ยพอละทุกได้แล้วสุขมันก็เกิดขึ้นเองเบานคนที่อาบน้ําสะอาดแล้วก็ถึงจะสวมเสื้อผ้าบางคนไม่ได้อาบน้ําเลยนะทำงานทั้งวันแล้วก็ไปสวมเสื้อใหม่เนี่ยมันก็แลดูไม่สะาดเพราะฉะนั้นเหมือนอางกับจิตใจเราเนี่ยฝึกจิตเอาทุกออกจากใจออกซะก่อนแล้วใจก็จะมีความสุข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 ใจเราก็เป็นปกติเราไม่เคยคิดแล้วว่าจะต้องไปทำอะไรที่ไหนเพราะอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าเราคิดเมื่อไหร่ถึงอดีตเมื่อแล้วก็เราจะมีปัญหาทันทีเลยเคล็ดลับองค์การอยู่อย่างมีความสุขก็คืออยู่กับปัจจุบันอยู่กับการงานของเราเนี่ยการวิสติอยู่การทำงานเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมไปพ่อมา ก, การทำงานงานแม้ว่าจะเร่งรีบรีบร้อน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 ง่ายๆเลยวิธีการที่จะทําบุญในแต่ละวันเนี่ยทำหน้าที่ไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติทําไปด้วยก็ได้ทํางานด้วยความรู้สึกตัวอันนี้คือเป็นส่วนของบุญอย่างที่วิทยาลัยพยาบาลสภาคาชาติไทยเนี่ยเราสามารถทําบุญได้ตลอดเวลาเลยเปสถานที่ที่ผลิตบุคลากรที่ไปให้บริการบุญเหมืนเนเผลิตบุคลากรให้ไปให้บริการบุญเนี่ยโ ให้บริการบุญเนี่ยไม่ค่อยได้ยินคำนี้แล้วมีหลายคนต้องมาใช้บริการบุญถ้าเราทํางานโดยหน้าที่อันนี้ไม่ได้สอนนะอันนี้เป็นข้อที่เห็นทํางานโดยหน้าที่สักแต่ว่าทําไปเรื่อยๆเราคือลูกจ้างธรรมดานะถึงเวลารับเงินเดือนเป็นลูกจ้างธรรมดาแต่ถ้าทํางานโดยหน้าที่แต่ทำใจให้เป็นบุญนโดยการทําด้วยความเต็มใจเห็นประโยชน์ของงาน มีเมตตามีกรุณาเป็นที่ตั้งนันติใจจะได้ทั้งงานได้ทั้งบุญได้งานแล้วก็ได้ใจด้วยบุญอยู่ที่ใจได้สองอย่างเลยเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะการทำงานเลยถ้าเรามีสติแบบการทำงานเนี่ยะบุญมุญเนจะเข้าหมดจะมีทั้งเมตตาการุณามีความขยันมีการให้อภัยแล้วก็มีความอดทนอยู่ในตัวเนี่ยบุญทั้งนั้นนะ อันนี้ถือว่าเป็นแง่คิดหนึ่งซึ่งผมสมัยที่ผมเรียนหนังสือนะเรียนตอนอายุประมาณ20ผมได้ไปบริจาคโลหิตเขาก็เอารถมารับไปบริจาคโอหิตพอไปถึงสถานที่บริจาคโอหิตตอนแรกมันก็มีศรัทธาเห็นเขาไปให้ก็ไปให้บ้างเกิดศรัทธาอยากจะบริจาครโรหิต แต่พอถึงที่นั้นเนี่ยมันเกิดความกลัวกลัวไปเห็นเครื่องมือเห็นเข็มก็เนี่ยยังไม่ทันมาจิ้มเราเลยเรากลัวแล้วเกิดความกลัวความกลัวนี่เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นอคุล น, นะถ้าตายตอนนั้นนะโอ้ตกอบายภูมิเลยแต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยรู้จักพูดเขาคงรู้ว่าเรากลัวนะเพราะว่ามีเหงื่อออกซิฟซิซเขาก็พูดโอ้นี่คงจะเดินทางมาเหนื่อยดิร้อนเง่อออก เราก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนจากความกลัวเนี่ยเปลี่ยนมาสนใจก็พูดดีนะพูดว่าบไม่เป็นไรนะเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายลนะเงืออ้อนนิดหน่อยเดี๋ยวบริจาคเลือดทีหน่อยเราก็ได้บุญก็พูดในเรื่องของสะพานบุญนะใจเรานี่กลัวนะเปลี่ยนเป็นศรัทธาเลยนะเปลี่ยนจากความกลัวเป็นศรัทธาเลยผมว่าผมนี่ได้บุญไม่เท่าไ ห, หร่หรอกผู้ที่ช่วยผมนี่แหละคนนั้นได้บุญมากเขาช่วยเปลี่ยนจากอกุศลเป็นกุศลได้เราเองก็เปลี่ยนใจได้ ให้สัก500รซีซีแม่อยากจะมันเกิดศรัทธาอยากขอให้สักพันซีซีได้ไหมเนี่ยมันอยากจะบริจาคมากๆอันนี้แหละถือว่าเป็นบุญเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะนาเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องของความสุขที่เกิดจากการทําบุญแล้วบุญสูงสุดก็คือการเจริญภาวนาคือการเจริญสติสติเป็นธรรมโอสถ ท, ที่สามารถรับประกันได้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 เอาการฝึกสติที่ว่าเป็นบุญอันสูงสุดนั้นหมายถึงว่าถ้าไม่สติเนี่ยมันก็ต้องมีสมาธิคู่ด้วยสติคือความระลึกได้สมาธิคือจิตที่เป็นหนึ่งจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างาท่านดิษฐ์ธรรมเนี่ยกำลังฟังเนี่ยมีทั้งสติแล้วก็มีสมาธิถ้าขาดสมาธิจะฟังไม่รู้เรื่องถ้าขาดสติจะไม่ได้ยินเสียง สติคือระลึกได้สมาธิคืออารมณ์เป็นหนึ่งสองอย่างเกิดคู่กันแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าอะไรจะมากกว่ากันถ้าสติมากก็ถือว่าจะนำเอาปัญญามาใช้ถ้าสมาธิมากมางทีอาจจะขาดสตินะเคยไหมเราเคยดูทีวทีตอนที่มันตื่นเต้นเนี่ยโหสมาธิมากเลยแล้วที่เข้าไปในกับในเรื่องราวต่างๆเป็นผู้กำกับม้่งจัดสัย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 ตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมเป็นสุคติภูมิแต่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนะแม้แต่ความสงบอาจจะเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์ก็ได้อันนี้เรียกว่าสมถะภาวนาคืออุบายทำใจให้สงบที่ก็บริกรรมาพุทโธพุทโธสมารหังอันนี้คือสมถะภาวนาเป็นบุญอีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่าวิปัตนาภาวนา วิปัสสนาภ า, าวนานี่จะเหนือกับสมถตาในที่ว่าทําจิตให้รู้แจ้งทําจิตรู้แจ้งคือเป็นเรื่องของปัญญารู้แจ้งอาศัยความสงบด้วยแต่ว่าสงบแบบรู้เนื้อรู้ตัวสมถตนในสงบแบบไม่รู้ตัวนะสงบนิ่งดิ้นเข้าชามไปเลยแต่วิปัสสนาในสงบแต่รู้ตัวผลคืออะไรผลคือตัดเสยซึ่งกิเลสซึ่งเป็นเหตุ ข, ของความทุกข์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 แต่รู้ทันกิเลสแล้วก็ไม่ทาตามหวัวเรายออกิเลสจิตมนเลยพ้นออกมาจากอารมณ์เหล่า น, นั้นเห็นมันจึงจะชนะความทุกข์ในตัวเราได้เห็นไหมเรามีโรคขนาดไหนบางคนนี่เวลามีปัญหาชีวิตแค่ทำสมาธิก็หายบางคนแค่ได้ยินได้ฟังก็เข้าใจแก้ปัญหาใจได้บางคนต้องปฏิบัติทาสมาธิบางคนต้องเจริญสติจึงจะเกิดปัญญา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 คิดเอาว่าความโกรธโกรธแล้วทําให้ตกนรกทําให้หน้าตาไม่สวย ง, งามนะแก่ง่ายตายไวเราก็รู้ว่าโกรธไม่ดีแต่ว่าทําไมไม่ต้องโกรธเนเพราะไม่ได้การปฏิบัติต้องลงมือปฏิบัติการเอาชนะความโกรธนั้นไม่ใช่คิดเอาบางทีใครครวญนะแต่ว่ายิ่งคิดยิ่งโกรธก็มีนะโอ้คิดทีไรเราเป็นคนถูกเสมออีกคิดเรายิ่งเป็นคนถูกยิ่งเราเป็นคนถูกเรายิ่ ง, เ ร, งเรายิ่งทุกบางทีคนถูกนี่ทุกหนักนะ แต่พอฝึกสติเนี่ยมันรู้จักปล่อยวางเออถูกมันก็มีเที่ยงปล่อยวางความโกรธได้ต้องฝึกจิตโดยใช้สติสัมปชัญญะถามอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้ได้ฝึกฝึกสติตามแนวของหลวงพ่อคำเขียนนะคะอเผอิญว่าตัวเองก็ได้ศึกษา ม, มาบ้างในแนวว่าในแนวของท่านนะค ะ, ะในแนวของหลวงพ่อเทียนคราวนี้อาจารย์เป็นอามาพารนะคะ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 มัต้อบอกว่า1นสองไม่ต้องนับพมือพริกมันก็มีการเคลื่อนไหวรู้สึกในการยิบเคลื่อนในตัวเขาเรียก ต, ตัวปรมัดจิตเมื่อลยพลากออกจากความคิดมาอยู่ความรู้สึกตัวตอนที่เราก็เห็นว่าอะไรเป็นอะไรเมันเรานั่งอยู่เนี่ยบางทีเราอาจจะมองเห็นได้แค่ไม่ชัดแต่ถ้าเราขึ้นอยู่ข้างบนเนี่ยมองลงมาเนี่ยเป็นภาพเบิร์ตไอวิวมองลงมาใชไมจะเห็นทุกอย่างพอฝึกสติแล้วเนี่ย มันสูงกว่าปกติควารู้สึกนะมันสามารถเห็นตัวเราแล้วก็เห็นเหนตุของความทุกข์คือความคิดเราหลับแล้วไม่ค่อยทุกข์อะไรหรอกแต่ความคิดเนี่ยมันมาปรุงแต่งโดยเพราะคิดเป็นเราเราพิการใช่ไหมมันมีตัวเราเพราะความคิดนะมีหนี้มีสิ่งก็เพราะความคิดด้วยถ้าเราไม่คิดเนี่ยหนี้ม่เกิดที่ใจเราเนะเนี่ยบางคนมาเป็นหนี้ใครมาเนี่ย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 หเดือนนี้ไม่ใช่บรรลุธรรมนะหนึ่งเดือนนี้แค่เห็นทิศทางของการปฏิบัติว่าขนทางนี้นำมาสร่งความหลุดพน้นขนทางนี้นำมาจากขนเรา้นจากความทุกข์ได้ทุกอย่างแก้ได้ทุกโรคไม่ต้องเสีย30บาทนอนพลิกมือแล้วก็รู้สึกตัวเนี่ยใหม่ๆมันก็ยากหน่อยนะเพราะว่ากรรมของเรานะมันจะมีความคิดปรุงแต่งมากการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องต่อสู้กับความคิด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 แล้วอารมณ์เบื่ออารมณ์เครียดเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเห็นไหมพราะจิตเราเข้มแข็งมีภูมิต้านทานสิ่งนั้นมันก็หายไปโดยธรรมชาติแท้ๆไม่มีใครจะต้องทนตลอดชีวิตทนได้สักระยะหนึ่งต่อไปมันก็เคยไปเองเคยไปเทุกที่มันหนักกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปไม่ออย่างคนที่พิการแต่กําเนิดเนี่ยกับคนพิการตอนเนี้มันต่างกันคนพิการกําเนิดนี่จะทุกข์น้อยนะเพราลืมตาขึ้นมาดูโลกโอ๋อเราเป็นอย่างนี้ไหมก็ไม่ต้องปรับตัวมาก แต่คนแบบนี้นี่มาพิการตอนหลังนี่โอ้ต้องทําใจมากอาศัยความอดทนและการขยันการปฏิบัติธรรมเนี่ยใ้บรรลุผลนั้นต้องมีความอดทนอดทนต่ออารมณ์ขยันทําใบๆเนืองเดชธรรมะมันก็จะเกิดในใจไม่ยากนะอ่าแค่ถูนี่มือเราถูนี่มือสิอันนี้มือถูกกันเบาๆนิ้วจีกกวจ้กันอุเบารู้สึกไหมโอ้นี่บุญมหาศาลเลยรู้รู้รตัวไหมทําได้ทั้งวันเลย เวลาใครพูดมากเรานั่งถูนิ้วมืออย่าไปราคาญครับโรคไม่ชําทําไม่เสียไม่ต้องไปปิดปากเขาเรารู้สึกตัวท่านคนข้างๆบนมากเราก็รู้สึกตัวท่านนี่แหละมีสติแล้วแต่ขอให้ทานานๆหน่อยทําแค่นี้ยแต่ทํานานๆรู้ตัวนานๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีปัญญารู้แจ้งไปเองอยากรู้ทำต้องรู้สึกตัวง่ายนะอย่างผมเนี่ยบางทีมันเหนื่อยนะพลิกมือเหนื่อย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 มันยากนอนกับพิพตาเนี่ยโอ้ง่ายมาง่ายนะฝึกจิตปึกใจมันอยู่ที่เราเห็นความสําคัญหรือไม่ทําไมคนจึงไม่ค่อยอยากปฏิบททัติธรรมเพราะมองธรรมะเป็นเรื่องยากเย็นและยานนี่นคือไม่ให้ความสําคัญของธรรมะถ้าเราให้ความสําคัญของธรรมะนี่เข้ากับการหาเงินแล้วก็ผมว่าเราจะมีโอทในเรื่องธรรมะด้วยนะอะไรก็ตามอยากให้มันเจริญก้าวหน้าเราต้องให้ความสําคัญมากๆสิ่งนั้นก็จะมีค่าสำหรับเราแล้วเราก็จะขนควายทํำสิ่งนั้น อันนี้จะเป็นเคล็ดลับบางการที่จะไม่เบื่อไม่เซนในการทำงานให้ความสัำพั์กับงานงานก็จะดีอย่าลืมว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันง่ายไม่ต้องห้ามอะไรไม่ต้องห้ามมันง่วงเราก็รู้ว่ามันง่วงแต่เราอย่าทำตามมันหาวิธีเอาจิตออกจากความง่วงให้ได้แสดงว่าจิตเราจะได้เข้มแข็งขึ้นถ้ามันง่วงเราก็หลับพร้อยแสดงว่าจิตเราอ่อนแอการฝึกจิตคือการฝึกให้มัน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 แล้วคิดดูแค่หิวแค่นี้เราก็เป็นทุกข์นะแล้วเราจะต้องเจ็บไข้ได้ดป่วยต้องผ่าตัดจะต้องตายจากโรคนี้นและใจเราจะทุกข์ขนาดไหนการฝึกเล็กน้อยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นฐานของกำลังจิตเอาชนะความทุกข์ที่มันง่ายๆก่อนต่อไปทุกข์ยากๆเนี่ยไม่เหลือวิสัยและทุกข์ในอบายนี่โอ้โหน่ากลัวมากปฏิวิตีารมือการฝึกใจไม่มีการห้ามอารมณ์อะไรให้รู้ทันแล้วก็ไม่ต้องทำตาม